พรงานนี้เราถือว่ามาเรียนรัดไม่ใช่มาเรียนธรรมดาเพราะฉนั้นข้อมูลค่อนข้างพร้อมเลยถ้าเรียนรัดมันได้ได้ผลไวไงที่เราต้องมีข้อมูลที่อาจารย์กุณกิตพูดไปตอนเช้าเข้าใจเรื่องการกิรีบอารมณ์ยังเข้าใจแล้วใช่ไหมเราจะเอาไปทําเองได้ไหมทําได้ไห ม, ไ, มได้ ทีนี้มันในรายละเอียดที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องรูปน้ำเนี่ยเขาเขาก็เขาเป็นได้ทั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยในตัวตัวน้ำนะแต่รูปเนี่ยมันเป็นสังขารโดยประการเดียวสิ่งถ้าเราจัดการมันไม่ถูกนะโอ้โหมันมันยุ่งยากมากเลย เพระนั้นสัมผัสสัตว์ทุกตัวตนที่เกิดมาเนี่ยก็จัดการเรื่องนี้ไม่ถูกมันถึงได้ทุกข์กันข้ามภพข้ามชาติไงชาตินี้ยังไม่จบตายไปชาติใหม่ทุกข์อีกตายไปชาติใหม่ทุกข์อีกแต่คนไห้จัดการเรื่องนี้ถูกจบกันในชาติเดียวไม่ต้องไปเวียนว่าได้เกิดอีกซึ่งสิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วมาบอกเราเราเราไม่ใช่พูดเอดเองบอกเราว่าเรื่องรูปมันเป็นสังขารโดยฝ่ายเดียวเนี่ยเราจะจัดการยังไงให้มัน มันได้อะโดยที่ไม่ต้องพึ่งปัจจัยอย่างอื่นมนุษย์สัตว์ทุกคนนะ่ยมีมีความรู้พอที่ จ, จัดการกับตัวเองนะเชื่อไหมว่าช้างว่าเต่าเนี่ยมันมีอายุมากกว่าคนได้ไงเจร้อยกว่าปีใช่ไหมโดยที่มันไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องมีโรงพยาบาลโอ้มนุษย์นี่ใช้ใจ่ายเพื่อการกินยาหาหมอนี่มหาศาลเลยเนะเป็นแสนแสนละล้านพวกช้างพวกเต่านี่ไม่เคย ฉีดยา้างไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้อยู่คนไปยุ่งกับมันมากเกินไปเงยช้างก็ฝอยปุ๋ยปุ๋ยพราะคนนั่นแหละเวลามาสังเกตเวลาสุนัขไม่สบายนะไปไล่และเด่นกินยอดหญ้าสองสวันมันก็หายละแล้ ว, ลวก็สําลอกไ อ, อพิษออกมานี่แล้วก็สัตว์บางตัวเนี่ยมันรู้ว่าไอต้นไม้ไหนเป็นยาเวลาไม่สบายขึ้นมามันก็ไปหาต้นไม้ต้นมากิน ด้วยสัญชาติญาณมันไม่จัดการเรื่องสังขารของมันเองแต่มนุษย์มีสติปัญญามีความรู้ได้เรียนรู้มหาศาลแต่จัดการกับลูกตัวเองไม่ได้มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องลูกกับนามเท่านั้นเองแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องลูกกับนามเนี่ยข้อมูลทุกวันในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเป็นไงโอโหออกมาทุกวันใช่ไหมแต่เราได้เคยสนใจนุ่งไหม เรารอให้มันไอความเจ็บป่วยมันรวบรวมกันเป็นชุดเหรออ่ะไปหาหมอเพนแพ็กกิตแพ็กกิแล้วเท่าไหร่แ้าก็จ่ายถ้าตลอดชีวิตหาด้เงินเพื่อจะมาจ่ายค่าแพ็กกิให้คนมาดูแลรักษาสุขภาพเราเองซึ่งหมอไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับารเจ็บป่วยของเราเนะหมอไ ม, ม่มีโอกาสที่จะมาสร้งางโรคภัยไข้เจ็บอะไรให้เราแต่เราทําไมไปพึ่งหมอเหลือเกินหมอมันก็ป่วยเป็นตามกัน ก็รับผิษไปจากคนไข้เอามาสองสาวันนี้มาเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแต่พิษของผู้ป่วยก็ตัวเองโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่ละคนมีพิษเนาะมนุษย์นี่นะฮะพิษเพราะเหตุการเข้าใกล้กันอยู่ใกล้กันโดยที่เราไม่รู้ว่าภูมิต้านทานเราเป็นยังไงพิษของเขาไป็นยังไงนี่ย น, นี่ต้องระวังทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเวลามา <c oughs> มสบายขึ้นมาแต่ละครั้งเอามาจะต้อง หาวิธีจัดการมันได้เพราะอะไรข้อมูลแพทย์ทางเรือกข้อมูลแพทย์เยันบอกเรามาหมดแล้วแต่เราเอาใจใส่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะ่ะเรามาทดสอบกับตัวเองใช่ไหมแล้วมันจะควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสังขารโดยเองได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรนะแต่ด้วยอะไรด้วยอวิชาของเราเองที่รู้ไม่เท่าทันแต่ยังไงก็ตามผู้ที่ไม่ศึกษาเรื่องวิปัสสนา ก็ยังไม่สนใจเรื่องนี้หรอกเพราะว่ามันเขาไม่ได้สร้างธรรมเนียมเพื่อการดูแลตัวเองแต่ปัจจุบันนี้มีแล้วแพทย์ทางเลือกเราเกิดขึ้นตามลำดับอามาสนใจตั้งปีนี้แต่เมื่อก่อนอามาเป็นโรคไขย้ยเจ็บมากไงตั้งแต่ปีสองห้าถึงสาเนี่ยเป็นสาพัดนะเพราะว่าในช่วงนั้นเราบุกเรื่องปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องร่างกาย เ, า เ, าเดียวเป็นไส้ตีง ไอ้อักเสบเดี๋ยวเป็นลิซิดวงทาวารเดี๋ยวเป็นโรคเกาพาะ <c oughs> เดี๋ยวเป็นโลกภูมิแพ้เดี๋ยวเป็นโรคไมเกรนเดี๋ยวเป็น โ, โรคปวดหัวโอสารพัดเลยอเอ้ออะไรมันกันักนานะที่วันหนึ่งก็ไปอ่านทิเยสารเจอเรื่องเรื่องของหมอแพทย์ทางเลือกของหมอรสสุคนภุ่มพันวงเรามาอ่านน่าสนใจ <c oughs> ตอนนั้นจัดอบรมอยู่ที่จังหวัดระยอง หมอราสุคนอยู่ที่ไหนนะไปสืบไปสืบมาเอาอยู่เลยองนั่นเองไปเชิญมาเลยพูดถึงเรื่องเพรังในช่วงจัดอารม์ที่นั่นก็ไปเชิญหมอรสุขคนมาพูดถึงเรื่องน้ำผักแล้วก็สนใจน้ำผักกันใหญ่เรากินน้ำผักได้ระยะหนึ่งเออค่อยดีขึ้นนะแต่ว่าไอ้ตัวโรคที่เราหายเนี่ยก็ไม่สนิทนะโดยเฉพาะภูมิแพ้เนี่ยเอาเรื่องเลย พอที่แพร่มันมีมูลพิษเยอะเพราะว่าแพรแสงเทียนไปตั้งอยู่ท่ามกลางมูลพิษเพราะว่าชาวบ้านปลูกยากันรอบวัดแลยเดี๋ยวหน้าปลูกยามใช้ยาแรงใช่ไหมก็มกซูลเลยเพดาก้เลยอะไรเนี่ยเอาพอหน้าอบยามาเอาเล็กนอบกินเล็กนอบเราอีกอืา ม, มาก็เลยอยู่แพรแสงเทียนไม่ไหวแล้วีต่อมาหาเรื่องออก อาจารย์ให้อาจารย์คมกิอจารย์คมดวงศิลอาจารย์ไอกะศิล์อยู่ต่อทั้งสองท่านก็โดนหนํากัน <c oughs> ก็มาก็เลยหาทางออกที่ต่อมาก็มาสนใจที่ละเอียดในรายละเอียดมาสนใจเรื่องชีวจิตของมหมอสาธิตก็มาทานชีวจิตมาสนใจเร่ออาหารปัญญาของมหมอสุธิวัตรคำภาเนา สนใจเรื่องสมุนไพรทางต่อมาเลยๆจนที่สุดมาเจอหมอเขียวนะก็เลยทุกอย่างมารวมที่หมอเขียวหมดเพราะอะไรเข้าสู่ต้นโตของของของโลกคือวิเคราะห์ธาตุอยู่อเมริกาก็สนใจเรื่องกรุ๊ปเลือดนะฮะว่าเราคนกรุ๊ปเลือดอันนี้กินทหารประเภทไหนร้อนยังไงเย็นยังไงแต่ก็ไม่ลงลึกภูมิปัญญาแบบไทยพอมาเจอหมอเขียวนี่ภูมิปัญญาไทยออกมาตรงนี้หมดเลยก็เลยไป อบรมก็หมอเขียวหลายคอท์อยูเชิญหมอเขียวไปอบรมที่ศรีนครินตอนนั้นเราก็สร้างโครงการรักสุขภาพขึ้นมาที่โรงพยาบาลศรีนครินมีกลุ่มพยาบาลหัวหน้าพยาบาลร่วมแล้วก็มาโรงพยาบาลชุมแพเอาหมอเขียวมาที่ชุมแพอีกทั้งโรงพยาบาลทํากันคืนมาต้องการพิสูจน์อว่าตัวเองได้รับผลนี้คนอื่นเขาจะได้ผลแบบไหนนะมันก็เลย เอามาใช้กับตัวเองเอาเอาไม่ชีเอาพระที่วัดนะ่ไปอบรมกันหลายคอร์สของพวกไม่ชีเนี่ยต้องดูแลเรื่องอาหารธรรมะมาต้องไปให้ไปศึกษาตรงนั้นเป็นวิเศษให้ไปเป็นเดือนเลยตามหมาเขียวไปเขาก็มาจัดการเอามาก็ได้เรียนรู้แบบเนี้ยแล้วก็เชิญอานะจารย์สุทธิวัฒน์คำพาไปให้ความรู้เรื่องนี้ที่อเมริกาอีกอามาก็มาเผยแพร่ที่อเมริกานะ ก็เลยเราได้เก็บความรู้มาเรื่องเหล่านี้มาทีละนิดแลนินิดก็เป็นประสบการณ์ต่อมาโรคภัยแค่เจ็บที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันก็หายไปทีนิดนินิดจนกระทั่งแทบจะเรียกว่าสนิทเลยนะเหลืออันเดียวที่ยากที่สุดคือภูมิแพ้เพราะเราจะต้องเปลี่ยนอากาศไปนู่นไปนี่เรื่อยใช่ไหมเดี๋ยวหนาวจัดเดี๋ยวร้อนจัดเดี๋ยวเย็นจัดมันก็ทําให้เราปรับไม่ค่ยทัน มาจากอเมริกาอุณหภูมิสิกว่าฟาเรนไฮน์เอามาที่นี่แปอุณหฟาเรนไฮน์ช็อกเลยนี่มันตอบไม่ทันไข่อยู่สองสวันก็โจมตีไข้อีกนะโจมตีไม่ไหวใช้ยา ห, หมอช่วยเราในชอยสุดท้ายในเงินมันไม่ทันที่จะทํางานคือลุยมาเต็มที่แพทย์ทั้งเลือกเอามาอยู่เอาแพทย์ปัจจุบันแพทย์ปัจจุบันเอามาอยู่ทําทุกทีทางมันอยู่ไม่ได้หรอกโรคหัวจิตในที่สุดเราก็อันหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้เลยเรื่องรางสารพิษ ชมล่าล้างสารพิษออกจากร่างกายด้วยดีท็อกทั้งลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้เล็กแล้วก็ทานน้ำอย่างเงี้ยวันละเหยือกเช้าขึ้นมาเหยือกคือบางทีสองเหยือกชมล่าล้างให้หมดอย่าให้เหลืออะไรในลำไส้อ่อันนี้คือในบางวันที่เราไม่ได้ทําดีท็อกก็ใช้น้ําเปล่านี่ฮะทำน้ําอุ่นเยอะๆมันก็ล้างทะลุทั้งลำไส้ใหญ่ไส้เล็กดีท็อกด้วยน้ำเปล่า แต่ถ้าหากพิษ ต, ตกค้างเช่นว่าเรากินอาหารที่แปลกๆเข้าไปแล้วก็ไปสัมผัสกับคนไข้บางครั้งามาก็ดูแลคนไข้ที่เขาเปหนกันกๆก็ช่วยเขาก็พิษก็มาเข้าตัวเราทีนี้เราก็ต้องช้ดีท็อกช่วยก็ถ้าพิษเข้าตัวเองสิ่งที่กําเริบอันแรกที่สุดก็คือฟุ้งผัวนี่แหละเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นกรรมาพันธุ์ด้วยพ่อยมแม่เขาเป็นมติดแสตม า, ามาก็ต้องมาแก้ นนั้นเองตัวไหนที่เป็นกรรมพันธุ์ตัวนั้นจะรักษายากกว่าเพื่อนแต่ตัวที่ตามมาทีหลังเนี่อรักษาง่ายเพราะว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องแต่ว่าที่เป็นกรรมพันธุ์เนี่รักษายากเพราะอะไรเพราะเรามียีนมาที่ไม่แข็งแรงได้มาจากพ่อจากแม่ซึ่งตัวเนี้ยเป็นเขาเรียกเป็นวิบากกรรมที่ราดับมาแต่อดีตเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเลย เราสามารถสแกนร่างกายของเราเองได้มันเป็นจุดไหนอย่างไอ้ข้อข้อเนี่ยเพราะมันอักเสบอยู่ที่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของ ล, อลําคอเรานี่แหละถ้าเราไปกินแก่อักเสบเดี๋ยวมันก็หายแต่เราไม่กินแต่เราต้องดูแลตามธรรมชาติอย่เงี้ยแต่ก็ทนมันหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นเอ ง, เองร่างกายมันเป็นรูปนะซึ่งเราสามารถสัมผัส ด, ด้วยประสาททั้ง5ทําไมเราจัดการไม่ได้แต่น้ำเนี่ยเราสัมผัสประสาททั้ไม่ได้ใช้สัมผัสที่6กคือจิต เราจัดการมันได้เลยอะ่ะแต่รูปเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้ภาษาทั้งห้าทำไมจะแก้ไม่ได้แต่เราต้องมีการเรียนรู้นะมีการเรียนรู้การสัมผัสเข้าไปซึ่งตรงเนี้ที่ว่าธรรมะรักษาคนมันรักษาอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามเวรกรรมมันจะหายเองธรรมะคือการทําลงไปนั่นแหละอย่างเมื่อคืนอย่างยมสมพรเนะี่ยเป็นแอสมาที่หืดหอบหืดจนกระทั่งว่าจะตายอะ่ะช็อกไม่รู้กี่หนน่ะนะ แต่เนื่องจากว่าเราใส่วิชานี้วิไกาสู้บอกให้ดื่มน้ำประสาวะก็ดื่มเออเรื่องน้ำประสาวะก็เหมือนกั น, นช่วยได้เยอะเหมือน ก, นกันทำรีทอกทําเรื่องอาหารปล่อยสารพิษทําทุกอย่างในที่สุดแกก็รอดอย่างยมเบคนที่สองใก็พูดแกเป็นไตร้อยไตร้อยคือไทยรอยดอักเสบนะถึงขนาดว่าจะตายให้ได้แต่พอเราให้ข้อมูลเหล่านี้ไปแกก็ทําทุกอย่างแต่มันก็แปลงนะไหนที่มาได้ไปเขาทำตามรอดทุกไลนนะ เพราะอะไรเพราะว่ามันพิสูจน์มาด้วยตัวเองไม่ใช่เราไปจดไป จ, จํามาจากคนอื่นพิสูจน์มาอันไหนมันหายในะไม่หายแล้วทําให้แต่ละคนเป็นนักสู้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มีผลเอื้อต่อคนอื่นที่อยู่ใกล้ชิดไปรักษาลูกรักษาเมียรักษาปู่รักษาพี่รักษานี่รกรักษาผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยกันก็ทําให้เราเข้มแข็งแล้วอะไรคือเรื่องทำแล้วย่อมรักษาผู้ประพฤติทำเพราะนั้นธรรมะของหลวงพ่อเทียนหมายถึงทอสละธรรมนะ ไม่ได้หมายถึงธรรมะนะนะธรรมลดลงไปอันไหนพิสูจน์ลดลงไปขนาดวัตถุอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยเรายังสร้างมาได้ไม่รู้กี่เพิ่มมันไม่รู้กี่กี่กี่แหลมเรื่งทําได้แหละมันต้องมีความสามารถมากแต่ทําไมเราถึงเอาความสามารถที่ว่าเรามีถึงร้อยเปอร์เซนตี่ยเรามันใช้ไม่ถึงสิบเอร์ซเพราะอะไรเพราะมันเราไม่ได้เปิดตัวเอาเอาวิชชาออกเท่านั้นเองเอวิชชามันครอบปิดอยู่อะถ้าเราเอาอวิชชาออกความสามารถที่มีอยู่ในในสภาพในจิตของมนุษย์เนี่ย มันมีมหาศาลนะเพราะฉะนั้นเองเราก็ต้องค่อยศึกษาไปเรื่อยๆประการสําคัญเนี่ยต้องทําลายอาวิชชาให้มากที่สุดเพราะตัวนี้ทําให้ปิดกั้นปิดบงังทําให้เรามีอุปทานต่างๆแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาคนเจ็บคนป่วยขึ้นมาใช่ไหมเราบอกว่าไปถูกผีตรงนั้นทําไปถูกผีโป่งตรงนั้นทําไปถูกผีตรงนั้นทําไป็นยังไงก็ต้องไปหาหมอธรรมใช่ไหมหมอธรรมบอกโอ้ยนี่ไปถูกผีที่นั่น กระเป น, น้าบนพ่น้ำหมากแหกใช้ไม้แหกใช้เขาแหกอมเหล้าพ่นลงไปใช่ไมแ้วมันก็ดีขึ้นมาเลยใช่แต่หารูไ้ไหมว่าไ อ, ไอคนคนนั้นนมือสารพิษตกค้างในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันเกิดวิปริตขึ้นมาแต่ทีนี้แพทย์ท้งเลือกอยังไม่เจริญเขาก็ต้องว่าผีไว้ก่อนเพราะอุปท า, านแต่พอไปหาหมอทำมันมีอุปท า, านทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมหมอทำ มาแหกแหกปัจจุบันคือเรียกกัวซาของหมอเขียวน่าดึงนะถ้เป็นอะไรก็กัวซาคือเอาไม้กัวซาพอดีมาให้โยมใช้อยู่เดี๋ยนโยมที่เป็นมะพรกพลาดที่มาปฏิบัติกับเราเนี่ยตอนนี้มัวว่านี่มวัวเริ่มเดิน2เท้าได้หลวงพอ่อเมื่อก่อนมันเดินได้เท้าเดี๋ยวเอียงๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเท้าสัมผัส ด, ดินมีครั้งแรกแกก็มีกําลังขยันแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยเป็นจุดสูงหลวงเป็นปอดที่2ของร่างกาย เพราะฉะนั้นก็เลยมีดินอยู่ใกล้ๆสองสามก้อนบอกให้เหยียบให้หนักเหยียบลงไปเพื่ออะไรบดขยี้ของกลุ่มเลือดและไขมันอะไรไปจุกฝาเท้าตรงนั้นนะ่ะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกบดมันลงไปบดมันลงไปทําให้เลือดลมที่ไปกระจุกตรงนั้นมันแตกกระจายพอแตกกระจายเลือดลมก็ผ่านที่เซลล์ที่มันตายไปมันก็ก็เริ่มฟื้นไอ้ที่มันทำถ้าจะอ่อนแอมก็เข้มแข็งขึ้นไอ้เซลล์ที่ดีมันก็สร้างขึน้นมาใหม่ร่างกายเรามีศักยภาพสูงมาก ในการสร้างสิ่งป้องกันตัวมันเองแต่ว่าในอดีตเราทำร้ายมันมากเกินไปอย่างต่อเ น, นื่อง5ปี10ปี20ปีทำผิดมาตลอดไอ้การทำผิดซ้ำซากเหล่านี้ร่างกายเขาทนไม่ไหวเรียกว่าวิบากกรรมใช่ไหมมันไม่ได้สิบทอดมาแต่ชาตินู้นชาตินี้เรามาทำผิดตัชาตินี้เองไะแต่มันทำผิดทุกวันทุกเวลานาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาแก้มันนั้นเรื่องของร่างกายสังขารเนี่ยเป็นของมองเห็นสัมผัสได้เราอย่าไป ให้เป็นเรื่องของหมอของยาซึ่งเขาไม่รู้่ออะไรกับเราหรอกใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นนิสัยทางชาวตะวันตกที่เขาเจริญด้วยเรื่องของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาต้องรีบร้อนเพื่อทําเงินเพราะเขาก็มีอวิชชาสูงกว่าเราเอาเงินมาเพื่อจ่ายอินชูรันจ่ายหมอจ่ายค่าอยู่ข่ายาแล้วทํางานตลอดชีวิตแล้วไม่มีเวลาพอที่จะมาศึกษาเรื่องจิตเลยเขาก็สร้างความทุกข์ให้แก่โลกแล้วก็ทําลายโลกนี้อย่าง มากมายมหาศาลโลกเกิดผิดความสมดุลขึ้นมาด้วยความอยากใช่ไหมทําลายป่าไม้ภูเขาทำมันชาติจนกระทั่งว่าอุณหภูมิของโลกเปลี่ยนไปภูเขานกแข็งมันอยู่มาเป็นพันพันปีมันละลายหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นในทีน่นี้โลกก็ร้อนพอโลกคนร้อนด้วยความร้อนของโลกมันไปแตะกับไอความร้อนเดิมในจุดศูนย์กลางของโลกคือลาว่าไอลาว่ามก็แทกแล้วเบิดขึ้นมาด้วเพราะความร้อนมันจูนกับไอแสงฟาดที่เนี่ยแล้วระเบิดขึ้นมาในทะเล เบิขึ้นมาอย่างแรงแล้วเป็นไงน้ำทะเลเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดซินามิขึ้นมาเมื่อวานก็โดนแล้วใช่ไหมญี่ปุ่นโดนไปแล้ว 9.8.9 ลิตรอะกล้กัไอ้เกาะฮอนชูรก็ยังไม่สรุปผลไม่ได้มันคือเกิดบ่ายสาย4โมงเมื่อวานเองมหายสารในเห็นเหมือนกับไอ้หนังวันสิ้นโลกอะ รถเลือฟริกความพลิกหงายกันบุ่มบุ่มบมบุมเกอะท้องกไอ้นั่งไอ้อะไรคะนิ่เงาอากิอะไรเน่ยกาะนั้นอ่ะแปดจังหวัดนั้นใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวนี้กาลังจะเกิดทางอินโดนีเซียอีกทางอเมริกาได้เพราะฉะนั้นปี12บสองที่เขาว่าไว้ก็ฟังฟังไว้บ้างกันถึงไม่ถึงไม่เชื่อทีเดียวก็ฟังไว้บ้างกันเพราะมันไม่ใช่ฝีมือของไกาฝีมือของมนุษย์เองนี่แหละด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ แต่ความอยากจสนองตันหาใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้พวกมันสมองทั้งหลายที่เป็นวิชาทิ่ฐิทั้งหลายมันก็สร้างเทคโนโลยีต่างๆที น, นี้ก็เอามาใช้ระดับชาวบ้านและทำให้ชาวบ้านสูญเสียศักยภาพในการดูแลตัวเองทุกอย่างต้องพึ่งพวกที่ไอ เทคโนโลยีเหล่านี้ออกมาหมดมันก็ขายมันสมองอเมริการะดับมันสมองวันวมันไม่คิดอะไรคิดว่าจะทําแพ็กเกจอะไรออกมาแล้วมาทําเงินได้ตลอดชีวิตไม่ต้องหาเงินอีกแล้เป็นเศรษฐีอยู่ที่อเมริกานะคนไหนไม่เห็นด้วยกับมันมันก็ไปบอมไปลบเขาให้ยุ่งทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ไปสอนคนอเมริกาให้สํานึกขึ้นมาโลกมันจะไม่มีระไเหลือนะเอามาต้องไปในจุด น, นั้นนะเพราฉะนั้นเอง ว่าหลวงพอทำไมไปเมกาเอา้ามันเป็นคนสร้างความเดือดร้อนให้แก่โลกถ้ามันไม่หยุดเหตุตรงนั้นอ่ะเราจะเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรทันไม่ทันก็ต้องทําไว้ก่อนไนะดีก็ไม่ทํานำะดังนั้นเองก็เมื่อเราไปอบรมที่นั่นเราได้คนที่เป็นกุญแจขึ้นมารัดลับคนละคนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเวลาจะจัดอบรมอะไรทีเขาก็เป็นคน organize ออ ก, ก, กลุ่มขึ้นมาก็นิมนต์หลวงพ่อไปนะ รัดไหนที่พร้อมก็เอารัดนั้นก่อนก็ไปทําอย่างเงี้ยแต่ละรัฐเขจะก็ไปฝึกคนเหล่านี้ขึ้นมาก่อนคนที่ก็มีความเสียสละความตั้งใจเนี่ยอย่างน้อยรัดละคนและคนเหล่านี้เขาก็จะไปรวบรวมเข้ามาฝึกปฏิบัติตอนนั้นเองประเทศไทยเราไม่มีปัญหาถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าเรามีพระสงฆ์ทําหน้าที่ตรงนี้นะถึงแม้โยมบางคนดังโยมที่ที่เมืองไทยนี่อ่ะอย่างที่ ทาเหนือนี่ยมาก็ได้ยงพิกลทําหน้าที่แทนแล้วอทางอีสานได้แม่อ้วนนี่เข้ามาช่วยคือคนเหล่านี้ต้องผ่านจากการทําครัวมา่ก่อนนะฮะแล้วก็ฝึกจากการทําครัวนั่นแหละเขาก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาฝึกไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมาเป็นตัวแทนผู้ชายไม่ก็ได้เพราะผู้ชายนี่ส่วนใหญ่ก็ไปนรกกันนะเพราะอะไรเพราะมันมีความมั่นใจมีอัตราสูงมีอีโค้สูงนะฮะ แล้วก็ผู้ชายในยอดความบทนต่ำกว่าผู้หญิงดนะังนั้นเองก็ก็พระก็ได้พระนะที่เป็นผู้ชายก็ได้พระนะอย่างจรย์คมจิตจั์ดุงศินจาจั์สุริยานะอย่างนี้ขึ้นมาจานันเินจันสัดาทางตะวันออกก็รุ่นแรกที่มาตอนหลังมาก็พระก็บน่นไอ้ลุงพ่อไปทำงานแต่มีกาพระรุ่นใหม่ไม่เกิดเลย เอาเขก็ฝึกกันมาพอแล้วคุณก็ช่วยเหลือด้วยเองบ้างได้คนที่อเมริกามันสร้างความเดือดร้อนให้แกโลกนะมูลมันช่วยเมืองไทยเงี้ยมันไม่ทันการนะโลกมันจะระเบิดเช่นกันน่ะก็ต้องไปทํากันนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แต่ว่าพวกทีวีพวกนึงซื้อพิมพ์หาเรื่องหลือเกินหาเรื่องเดียวมาไปออรรายการนะมันก็หลบมันมาไม่ต้องการโชว์แบบนั้นเพราะเราถ้าไปโชว์แบบนั้นเราไม่มีเวลาที่มาทําการงานแบบนี้เราก็กลายเป็นพระไปตามกระแส แล้วคนที่มาตามกระแสก็ไม่ใช่ว่าคนจริงใจอะไรมากมายนะแล้วแต่ว่ากระแสไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นแล้วก็พระที่ไม่รู้จักเรื่องเหล่านี้ก็เสียเวลาการตัวเองไปกับสิ่งเหล่านี้อามาหลบเหลือเกินนะพวกนี้ตามนะตามสัมภาษณ์ตามนะอามาก็หลบไม่เอาเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องเป็นบิสเนสไม่เรื่องกระแสแต่เป็นเรื่องความเป็นความตายของมนุษย์ของโลก เป็นเรื่องของเป็นตายขําพภพข้าชาติคุณจะมาทําเล่นไม่ได้คุณจะจับพระที่ทํางานแล้วไปเป็นดาราแบบพวกคุณพระก็จะไปยืนอยู่ไหนะชาวบ้านตามรุมล้อมไปหมดพระมาก็โดนไปหลายโอมเหมือนกันได้ศึกไปหลายโอมเหเพราะว่าอะไรฝึกยังไม่เสร็จแล้รีบไปตั้งสํานักรีบไปเผยแผ่นะแหละไปเช็ดวิชยัยไม่จบวิชานะแต่อาจารย์คุุกินีท่านทนอยู่ท่านยืนเกิดมานาน ก็เรียกว่าถูกบทถูกอัดขนาดหนักเมือนกันแล้นี่แต่กะทนได้นะเพราะฉะนั้นใครทนอยู่ได้ก็เรียกว่าได้วิชาไปก็ไปช่วยกันทํางานได้ยั่งยืนดังนั้นการสร้างบทสิบหลังนั้นไม่เท่ากับสร้างพระองค์เดียวนะใช่ไหมสร้างบทได้สร้างแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่สร้างพระนี่ถ้าทําได้ก็ทํางานไปได้ทั่วโลกเลยดังนั้นก็ปีนี้ก็ได้ทางภาคกลางก็ได้อาจารย์มหาสุรินทร์ขึ้นมาอีกองค์หนึ่ง เราพี่ดีก็เลยว่าส่งไปทํา ไ, ไปอบรมพมระธรรมทุตจะไปทํางานที่มีการต่อเจ้าคุณยงยุทธนะเจา้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีที่เคยไปปฏิบัติที่แพร่แสงเทียนเกตามาก็อันนี้ก็เลยรับงานทางด้านบริหารทางสังคมไปเพราะงั้นเรื่องนี้ถ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่เราสนใจเรื่องนี้นะอย่างจริงจังนะย่งเข้าใจนะประเทศไทยของเราเป็นแสงสว่างของโลกทีเดีนะแต่เดี๋ยวนี้พระของเรามันผิดเพี้ยนไปเพราะว่ามันไปรับใช้สังคม ชนชั้นมากเกินไปนะแล้วก็สังคมไม่รู้ไม่ทันเขาสังคมชนชั้นก็พาไ ป, ไปเป็นเครื่องมือถ้าในที่สุดเราก็เดือดร้อนกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเองมาเองก็เรียกว่าถูกหลายฝ่ายติดตามอยู่แต่ว่าจับตัวแตามาไม่ได้ว่ามาล บ, ลบไปนู่นลบไปนี่ก็จับตัวไม่อยู่หรอก เ, ออเพราะฉะนั้นก็รู้ว่าถูกตามล่าเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ใช้พระธรรมป้องกันตัวเอง ก็คืออย่าไปทําอะไรที่มันให้สังคมส่วนกว้างให้เขารับรู้นะล้วก็แอปทําของเราเล็กๆเงี้ยเอาเฉพาะเจาะเฉพาะคนที่จริงใจคนที่ตั้งใจคนที่ได้เข้ามาในวงจรนี้ก็ถือว่ามีบุญเท่านั้นเองนะที่เราได้แปลกเปลี่ยนได้ให้ในสิ่งด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราอย่างที่กล่าวมาตอนเช้าเนี่ยกลัวเราจะสแสวงหาประสบการณ์ด้วยตัวเองบางทีตลอดชีวิตเราไม่เจอมัเสียเวลา แต่เราคนจะไปประสบการณ์ส่วนดวงแต่เราคนมาแชร์กันมาแบ่งปันกันแล้วไปทำให้ถูกต้องแล้วก็ลดการอย่างโยมเบยเมื่อคือนแกใช้เวลาแค่สปีแค่ น, นั้นเองนยโยมคนที่สองเนี่ยโยมคนแรกก็เจดปดปีเหมือนกันเพราะว่าแกมีสุขภาพมีปัญหาเยอะเรื่องสุขภาพก็ช้าหน่อยดังนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องศึกษานะเราก็ไม่ต้องไปหวัง ให้ชีวิตเนี่ยร่ลำรวยอะไรมากแล้วแค่ว่าเรารักษาตัวเองเป็นดูแลตัวเองเป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ประกอบอาชีพพออยู่ได้เรามีเวลาเหลือช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นแค่นี้ก็พอใจละชีวิตนะแล้วความประสบการณ์และความรู้ที่พวกเราเรียนมาเหลือเฟือก็จะทําแต่ที่นี่ว่าเรายัางตัวภูมิธรรมเบื้องต้นเนี่ยเกี่ยวกับการรู้จักรูปจักรงามาเน้นที่นี่ก่อนเลย ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะยากถ้าเราไม่รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงแล้วมันถอนสักยทิฐิไม่ได้ไงสําคัญว่าตัวเราของเราเพราะฉะนั้นอุบรสกอันแรกหรือสักยทิฐิต้องเปลี่ยนสักยทิฏฐิให้เป็นสมาธิฐิให้ได้อย่างน้อยเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาแก้ที่สักยะทิฐิพอแก้สักยะทิฏฐินั้นจะต้องแก่จะรู้จักตัวเองก่อนอันดับแรกเรารู้จักตัวเอง ขอโทษรู S, <inaudible> mm <sh> ้จักดัวยรู้จักไงเวลาพูดไวๆมากๆน่ะผลกระทบแผลเสียบตัวนั้นนกก็คือเรื่องของกายกับใจรูปกับนามเนี่ยให้รู้จักชัดๆคือในการเก็บอารมณ์เนี่ยเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของวงจรชีวิตตลอด24ชั่วโมงเนี่ยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาเนียเรือนนาฬิกาชีวิต แต่และช่วงเวลาเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่การที่เราได้ศึกษาแพทย์เพิ่มเติมศึกษาทางเลือกก็ตามคือเราได้จะรู้จักช่วงทำงานของทาตุเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีศึกษาเรื่องนักการชีวิตออกมาเยอะแยะใช่ไหมเราก็สนใจอ่านสัหน่อยว่าช่วงที่เช้าตู่ขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ตี2อถึง7โมงเช้าเนี่ยมันเป็นการทางานอะไรของทาตแล้วคนที่จะใช้เวลาในช่วงนี้ทาอะไร จากเจ็งเช้าถึงเที่ยงเนี่ยเป็นการทํางานของธาตุอะไรเราควรจะใช้เวลาตรงนั้นทําอะไรแล้วจากเที่ยงไปถึงบ่ายสามโมงเนี่ยเป็นการทํางานของธาตุอะไร ก, ก็ดูเราจะไม่แปลกใจว่าทาไมช่วงนี้อาการเราเป็นแบบนี้ช่วงนี้เราอารมณ์ทําไมเราเป็นแบบนี้เพราะมันการการทํางานของธาตุแต่ละช่วงไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจธาตุขันของเราแล้วเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่รู้จักเนี่ยเราก็ไปคิดคิดคิคิ ด, ค ด, คดใช่ไหม ทําไมตอนบ่ายมันง่วงแล้วเกินแนละตอนเช้าดีๆนะจากช่วงเที่ยงมาถึงบ่าย 3- าสโมงทําันมันง่วงมันหนักมันเพลียมันเหนื่อยแล้วเกินอะไรนะช่วงนั้นเป็นทางการทํางานของทาตไฟร้อนใช่ไหมเพราะธาตไฟต้องทํางานในช่วงนั้นพอหลังจากทานอาหารแล้วทาตไฟต้องทางานในการย่อยอาหารแต่ทาตไฟอันนี้ถ้ากระทบกับทาตไฟข้างนอกบวกขวีกน้าร้อนเราก็กระวนกระวายใหญ่แต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเรื่องเวทนาะไม่เข้าใจเรื่องการทํางานของทาตุแลก็ปั่นป่วนคิดสารพัดอย่าง ส่วนหนึ่งมันก็เผากายให้ปวดให้เมื่อยให้เพลียส่วนหนึ่งมันก็เรายังไม่รู้จักรูปจากนามเลยนะพอมันไม่สบายกายร้อนกายก็ทะลุถึงจิตเลยทะลุถึงนามเลยพอทะลุถึนามนามก็สร้างความคิดสร้างปฏิฆาสร้างอะไรต่อสู้เลยตามทำนี่เขาเรียกว่าให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสักยะทิฐิตรงนี้เองผู้รู้จักว่าเราสําคัญว่านี่คือตัวตนของเราอะเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นรูปเป็นนาม เรื่องวัยสกัยยะที่ถี่สำคัญว่าเราเป็นหญิงสําคัญว่าเราเป็นชายสําคัญว่าเป็นคนนู้คนนี้มันมีความสําคัญมันหมายตัวเองมาตั้งแต่เกิดแล้วอ่ะทีนี้เรายิ่งไม่ศึกษาในรายละเอียดมันก็ปั่นป่วนเลยแต่พอเราใช้หลักสูตรระยะสั้นมารู้จักตัวเองเนี่ยรูปก็คือในส่วนที่เป็นก้อนเป็นแท่งนามก็ในส่วนที่รู้สึกเข้าไปไอการทํางานของลูกคนณออกมาเป็นเวทนาทําให้เราสัมผัสได้ว่าเราเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่ ง, ขงตึงเนี่ยคือหน้าที่ของเวทนาใช่ไหม ถ้าเราก็ามาศึกษาตัวเวทนามันเป็นเหตุของความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ความไม่สบายทั้งกายทั้งใจแล้วก็ามาจากการที่เวทนาเพราะจากการที่เวทนาเป็นเรานั่งสักพักหนึ่งเหมือนกับเวทนาสงบแล้วทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทีนี้ถ้าเราไปศึกษากรรมฐานไม่ถูกต้องกลับเอาเวทนามาเผาตัวเองอีก น, น, นั่งมันลงไปตรงนั้นนั่งลงไปตรงนั่งลงไปตร้โอ้มันไอคนที่ยังไม่รู้จักรูปนามตามคนเป็นจริงมันก็จะตายเอานะเดี๋ยวก็เข็ด แต่ถ้ารู้จักรูปนามตามคนเปจริงกูจะทดสอบก็ได้นั่งนานมันเป็นอย่างไรปวดมากเป็นยังไงปวดน้อยเป็นย่างนั่นในกรณีคนเข้าใจรูปนามแล้วจะศึกษาได้แต่คนยังไม่เข้าใจรูปนามก็เวทนาของกูกูปวดอ่ะกูเมื่อเน่ยกูไม่สบายเป็นกูปวดอ่ะมันไม่ใช่รูปปวดนามปวดอ่มันเป็นกูปวดปวดอ่ะมันก็ไปบีบจิต ด, ดิเพราะเป็นอาตาัตราใช่ไหมเพราะมันเป็นของเราอ่ะมันก็ไปสําคัญมั่นหมายของเราเสร็จแล้วก็ทรมานทั้งภายนอกภายในถึงจะอยู่ได้อ่ะ คนก็หอ่อผากลับบ้านไปเลยแหละเพราะกูมา ท, ท, ทุกทวนทุกทวนยากทําไมกูอยู่บ้านกูไม่ลำบากขนาดนี้ใช่ไหมมันกูขึ้นมาหมดมันเราขึ้นมาหมดอะ่ะนี่อัตตามันก็มีผลทําให้เราต้องคิดต้องปรุงต้งแต่แต่เราเห็นว่าเออนี่เป็นเรื่องของรูปก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยสีใช่ไหมมันปวดตรงไหนก็แก้มันไปที่เรามาเฝ้าดูโดยเนี่เพื่ออย่างเพื่อแก้ไขแก้ไขคือสมุทยัยเหตุของทุกต้องเลยรับการแก้ไขรับการบําบัดและยวยาแต่ทุก มันเป็นตัวโชว์ผลออกมาอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุตการขึ้นไปเฝ้าดูไปศึกษาแก้ที่เหตุเหตุทางกายแก้ง่ายนิดเดียวเนี่ยเวลาเราหนักหนักขาเนี่ยแค่ยกแค่นั้นก็หายแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราไปแช่อยู่ตรงนั้นไปมันก็ก่อให้เกิดไม่รู้เท่าทันก่อให้เกิดสกฤตทิฐิเกิดความอึดอัดลำคาญสร้างความคิดขึ้นมาเบื่อน่ายเซ็งขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องเข้าใจให้ชัดว่าลูกคืออะไรนามให้มันรู้หลายๆรอบรู้จากลูกจากนามนะ มันเลยซักผ้าเนี่ยซักน้ําเดียวสะอาดนะไม่สะอาดหลายๆน้ํายิ่งหลายๆน้ํายิ่งสะอาดรู้รูปน้ำหลายๆรอบยิ่งจิตก็ยิ่งสะอาดขึ้นเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะมันจะไปละลายความยึดมั่นถือมั่นละลายอัตตามานาทิถี่ออกไปชําระออกไปมันเลยซักผ้าเอาสิ่งสกปรกออกใช่มดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรื่องของรูปเนี่ยเรานึกถึงรูปธรรมวันวันหนึ่งที่เรา ประกอบอาชีพทำมาหากินถ้าเราไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเราก็เอาเรื่องรูปมาสอนนามม่ได้เอาเรื่องนามมาสอนรูปไม่ได้เพราะไม่มีโอปะนะัจโกไม่ได้น้อมรูปมาสอนนามไม่ได้น้อมนามมาสอนรูปเพราะยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยให้ได้เข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงก่อนนะาจะเข้าใจมันทำไงก็ต้องเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของมันตลอดอสามวันเนี่ย ช้ามันเป็นยังไงร่างกายปวดมันเมื่อยมันอยากเข้าห้องน้ำมันไม่สบายมันอึดอัดก็เฝ้าดูนไปแก้ไขบาบัดมันไปนะช่วงซ้ายมามันมันหิวมันอต้องการอาหารก็บาบัดมันไปดูวงจรเออกินเข้าไปแล้วมันธาดไฟออกมาทํางานหนักทําให้ประสาททุกส่วนตาวหัวจมูกล่างกายมันเฟดมันหมดพลังลงมามันต้องไปรวมกันทํางานเพื่อย่อยอาหารให้สลายตรงนั้น มันก็เกิดง่วงกเกิดซึมกเกิดอยากนอนขึ้นมาเห็นไหมเพื่อรู้เท่าทันนี้เราก็แก้ไขไปตามเหตุปัจจัยแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเหล่านี้เป็นไงมันก็ไปแก้ที่ปลายเหตุเออมันง่วงฉันก็ไปนอนซะไอ้เรื่องนอนนี่น ะ, ะมันเหนื่อยฉันก็ไปพักซะเองนอนนี้ไม่ได้ศึกษามันเหนื่อยเพราะอะไรมันง่วงเพราะอะไรแต่ถ้าเรารู้อย่างรูปจากนามแล้วเราก็จะไม่ไม่อิกนอหรือไม่ไม่ไม่ละเลยไม่ทอดทิ้งในการที่จะศึกษามันอ๋อเป็นอย่างนี้เอง ไอ้ตัวที่เราไปศึกษาทุกและเหตุเกิดทุกเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรเกิดการแก้ไขคือมักมักคือตัวแก้ไขอ่าไม่แก้ไขแล้วสิ่งเหล่านั้นได้ดับไปหายไปเป็นอะไรก็เป็นนิโรธใช่ไหมดับไปแล้วอริยสัจสีก็ทำงานอยู่อย่างนี้อย่า ง, างมีสติมันก็เกิดปัญญา แต่ที่แล้วมาเราไม่ได้ดวงใจเห็นทำอริชสสีก็ทำงานเมื่อกันนะแต่โดยทางานโดยสัญชาติยานสิ่งไหนที่ทำงานโดยสัรชาติยานเนี่ยมันไม่เกิดปัญญามันเกิดโมหะเพิ่มขึ้นเห็นไหมอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจในเบื้องต้นเพราะนั้นการเฝ้าดูทนดูแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยตามลำดับ หายใจไปยังไงหายใจลึกไปยังไงหายใจสั้นไปยังไงหายใจตื้นไปก็เฝ้าดูนั่งอย่างนี้นานไปยังไงแล้วก็ทนดูมันเพราะฉะนั้นระหว่างคนเบื้องต้นเนี่ยก็ให้เปลี่ยนบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจะพอทนได้แต่คนที่รู้อารมณ์สูงขึ้นไปแทนที่จะเปลี่ยนทุก5นาทีเปลี่ยนทุก20นาที30ินาทีก็ได้แต่คนที่เรียวสูงขึ้นไปเปลี่ยนทุกหนึ่งชั่วโมงก็ยังไหว มันไอการที่จะนั่งได้ชา้าได้นานขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมของเราพัฒนาแค่ไหนนะแต่บางคนอัพเร็วพัฒนาได้เร็วนั่งทีเดียวสองชั่วโมงเข้าใจเพราะฉะนั้นอันนี้เราให้คิดว่านี่คือวิทยาศาสตร์ทางนม า, ามธรรมสามารถติดตามเห็นกระบวนการมาได้ด้วยนม า, ามธรรมไม่มีมันไม่ใช่รูปจึงไม่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์อะไรเป็นเครื่องมาพิสูจน์ แต่เราใช้กระบวนการทางนามที่ใช้ควัสติปัญญาหรือวิปัสนาญาณเข้ามาทำงานนะเพราะฉะนั้นในวันนี้หลังจากที่เรารับทานอาหารพักผ่อนแล้วก็ยีเสียงขังก็ขึ้นมาเรามานั่งสังเกตมานั่งศึกษากันตรงนี้ก็มีอะไรก็จะได้บอกเป็นะระยะระยะไปในช่วงเช้าตั้งแต่8ปดโมงยันนอนในสิบโมงเนีย่ยเรามาศึกษาเราไม่ได้มานั่งเอาฤทธิ์เอาเดชเอาสมาธิเอาอะไร มาศึกษาว่าขบวนการแต่ทําไมเราต้องเคลื่อนไหวด้วยอันนี้คือเป็นเครื่องมือเหมือนกับเราจะไปหาของในที่มืดเนี่ยเครื่องมือเราคืออะไรไฟฉายแสงสว่างใช่ไหมตัว <c oughs> ที่เรายกอยู่เนี่ยมันเป็นตัวส่องแสงสว่างลงไปในแต่ละจุดทําไมเรียกว่าแสงสว่างเพราะว่าถ้าไม่ประคองจิตอยู่ปัจจุบันกายกับใจไม่ไดีด้วยกันมันมืด ใช่ไหมโอ้ฉันมีไฟฉายเหมือนกันฉันไม่ได้เอามาเพราะมันเรียก่ากุติฉันก็เลยผ่าเดินฝ่าความมืดมาใช่ไหมกลางคืนทำไมจึงเปรียบชีวิตนี้เในกลางคืนก็เพราะว่ามันเรายังไม่รู้อะ่ะไม่รู้กายตามความจริงไม่รู้ใจตามความจริงเราก็ยังอวิชัยอยู่ก็ยังมืดอยู่เพราะนั้นเราจะเป็นต้องมีไฟฉายเพราะฉะั้นการที่เราฉายแสงสติลงไปในกายใน ใ, นใจคือมีตัวนี้เป็นสวิตคอยปิดเปิดอยู่ประจําอันนี้คือเราต้องทำบางทีทําหนักทําเบาทํา ค่อยทำแรงก็ขึ้นอยู่กับว่าเราชัดเจนแค่ไหนถ้ามันไม่ชัดทําให้หนักๆทําให้เร็วๆถ้ามันชัดอยู่แล้วก็ทําเบาๆชา้าๆก็ได้อันนี้วิธีใช้นะเพราะฉะนั้นการขยับปรับเปลี่ยนอิเดียบทมีความหมายในการศึกษาหมดเลยนะการหายใจภาพป้าตาปากหรือยไส้เลยขวอมเงยหยิบหยับหับช่วยมีความหมายหมดขอให้มีสติรู้เข้าไปการสติรู้เข้าไปแต่ละครั้งมันหมายถึงแสงสว่างของสติได้เพิ่มขึ้น เรื่อยๆเหมือนกับเติมเชื้อให้กับกล่องไฟนะอันนี้คื อ, อเราเข้าใจฉะนั้นในวันนี้มาก็เลยอยากจะให้เก็บอารมณ์เต็มวันดูโดยการมาเก็บวัารมวมกลุ่มรวมกลุ่มอย่างนี้แต่สําหรับที่เก็บอารมณ์เดี่ยวเนื่องจากว่าเราไม่มีกุฏิเก็บอารมณ์ที่นี่ยังรุ่นคุณพันว่าต่อไปคนจะทํากุฏิเก็บอารมณ์หลังเล็กๆแยกย้ายกันไปคนะหลังละหลั ง, ลงไม่ต้องทําให้มันแพงหลังละ สองพันสานก็ได้ทากุติมุงยาคาพอได้อาศัยไม่ไผเราม่ยืแยงหลัง น, นั่นเองฮะแ่ห <c oughs> วงพ่อทไม่ถึงนะพาะ <c oughs> อะไร <c oughs> พ่อยาคาเราก็ไปจ้างเขามาไผเองเอามาทำยาคาไ้ที่นั่นเยอะเลย <c oughs> แล้วก็ทำยาคาถ้าเราไปซื้อก็ ต, ต่ําิบบาทพอเราทำเองต่ำแล้วเจบาทอย่างนี้นะแล้ก็ประหยัดกันเยอะ มาก็เลยให้จ้างให้ชาวบ้านไปเกี่ยวยาคามามาสร้างมาภายไว้เรียบร้อยเนี่ได้เป็นนั่นก็จะทํา ท, ที่วัดดอยเหมือนกันดังนะั้นเรื่องเหล่านี้มันก็เหมือนเหมือนแ lap นะล้วสร้าง lab l ล b อ, อันนี้ก็ไม่ใช่ไปสร้างเป็นแสนเป็นล้านนะสร้างแค่ไม่กี่ตังค์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไอสไตล์กุฏิเก็วรมณ์ที่ออาดีไซน์ครั้งแรกที่วัดป่า ไอ้วัดชมงคลที่นางมอหลอดกลายมาเป็นสไตล์กุฏิก็ลมทั่วสำนักเลยโดยนี้นยะอยู่ไมายควว่ามีที่เดินที่ยืนที่อะไรในตัวเดี๋ยวนี้พัฒนามามีที่นอนที่ห้องน้ําแล้วก็ที่ดึงกลมในตัวก็แล้วแต่ราคามนนันนะนะแต่ว่าเบื้องต้นในใช้กุฏิยาคาไปก่อนเป็นธรรมชาติดีเพราะนึกถึงสมัยที่ไปสร้างแพร่แสงเทียนกุฏิยาคานะุาเก็บอารมณ์ได้อารมณ์ดีเหลือเกินนะพรามันได้สัมผัสความจริงเดี๋ยวมดมาเดี๋ยว ใส่เดือนมาเดี๋ยวกิงขือ <c oughs> เดี๋ยวกิงขือมาเดี๋ยวตะขาบมาเดี๋ยวแมงป่องมาต้องระมัดระวังตลอดนะฮะ <c oughs> บางคนนี่ก็ถูกตะขาบต่อยเอาไปโรงพยาบาลกเลยพอเราเข้าไปนอนแบบไม่ระมัดระวังใช่ไหมหน้าฝนหน้านหนามันก็เข้าไปนอนอุ่นๆบางคนก็เจองูเงี้ยจนมาหลังมาเราก็มีคนที่ฮ <c oughs> ในเมืองมาปฏิบัติกับเรา ก็พัฒนาจากกุฏิยาคามาเป็นกุฏิมาตรฐาน <c oughs> ดังนั้นช่งชวงเช้านี้เราก็ทมตัวไปรับอาหารแล้วก็ทำธุระส่วนตัวสัก2ี่สิมสนาทีก็เข้ามาจาุดนี้แล้วก็มาเก็บรวมกันเนาะก็คิดว่าข้อมูลเพียงพอที่อาจารย์คมกิดให้ตนเชา้าแล้วก็จะมาเพิ่มเติมในช่วงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เรานำไปแก้ไขตัวเอง ว่าจะไม่ทำไปด้วยความเบื่อหน่ายขี้เกียจหรือฟุง้งซ่านแต่ทำด้วยความเข้าใจแต่ในคนไหนบางคนยังระลึกไมไ่ได้จำข้อมูลที่ให้ไม่ได้ก็จะคอยเตือนไประยะเอานะ น, นั้นเราก็ไปรับอาหารกันตอนนี้นะกลั บ, บมาพูดคุกัน